ยากที่จะมีเวลามีโอกาสมาได้มาแล้วตั้งใจหากันตั้งใจทำก็อาจจะได้มาอย่างนี้ก็ยากตลอดเวลาม า, าเพราะอะไรก็มีการ ม, ามีอะไรทุละกทขวาตัวอยู่ วันนี้คอจะพูดเรื่องสมุตดสมุตดให้ฟังทำไมจริงไม่พูดเรื่องสมุตดก็คนไม่รู้จักสมุต่ก็มาล้สมุตดมาเที่ยวสมุตด เป็นจริงเป็นจังยิ่งไม่เห็นมีมุตดมีมุตดก็คือหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรก็หลุดพ้นจากความวุ่นแล้วต้องดำเนินเดินมาตั้งแต่นู้น การปฏิบัติขั้นต้นต้องเป็นผู้ที่มีกายดี oh. วาจาดีใจดีเช่ก่อนทำตัวให้เป็นสุปฏิปโนสุปฏิปโนเช่ก่อน oh. เพราะวาสารวิพันธ์ไปจากพราสุปฏิปโน สุปฏิปันโนพระเขาปัโตสาวกัสังคโคสมสาวกของพระพุทธเจ้าโมได้ปฏิบัติีแล้วอะไรดีกายดีวาจาดีใจดีเป็นผู้ที่มีกายดีวาจาดีใจดี เรียกว่าผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติดีแล้วลนะดีกายดีวาจาดีใจผู้ปฏิบัติดีน่เรียกว่าสงสารของพระพุทธเจ้าเรียกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าอริยบุคคลบุคคลอริยะอริก็เรยว่า คู่อริเคยรู้จักไหมคู่อลิกัน oh. คู่รักหรือคู่อริอรินี่ oh. คือศัตรูคือฆ่าศึกคือกิเลสอ oh. ห้เข้าใจอย่างนี้ทําไมเรียกว่าอริยะฆ oh. ่าศึกศัตรูฆ่าศึก อือกิเลสนั่นแหละอันนี้อันนี้อยะอยะก็แปลว่าห่างไกลอยะก็แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสผู้ไกลจากความโลภความโกรธความหลงนั่นะกล ผ้ไกลจากกิเลสอริยะบุคคลบุคคลผู้ไปจากกิเลสผู้ห่างจากกิเลสผู้ออกจากกิเลสได้แล้วเหมือนกับอริยะบุคคลเข้าใจไหมนะคำว่าอริยะ เอาอะไรห่างเอกกายวาจาใจนี่แหละออกห่างจากที่เด่ดไม่ออกกายไปขาดสันนักทัพย์เอาพฤติผในการแล้วอนิยาบุคคลไม่เอาวาจาไปพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเท็จเรื่อยไร้สาระแล้วไม่ออาใจไคิดโลกอย่างใดของเขาอิจฉาพระญาบาศเขา เห็นผิดจากทางน้องของธรรมเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีเห็นว่าบาป ม, มีบุญมีเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีทำอะไรก็ไม่มีอะไรคุณิของมันดามีดามันีทุ อันนี้แนหะอรนะิยภูมิกายใจกิเลสต้องเห็นว่าบาปมีบุญมีมีการมีคุณบาปในทิรนับที่แจ้งเองเริ่มตน้นมันเริ่มจากนี้นะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชอบโดยก า, ายวาาใจนะแล้วก็ต่อไปก็าทำ สมาธิจิตให้สงมบมสมาธินี่จะทำให้เกิดปัญญาปัญญาอารมณสมาธิทำจิตให้สมบเม่อจิตสงมบมแล้วจิตมันว่างจิตไม่ไทำ ง, งานจิต พ, อพอัพผ่อนจิต ว่างจากโลกว่างจากอารมณ์จิตก็เป็นพุโทโธขึ้นมาทันเราก็จะเห็นพุโทโธเป็นมาเห็นธรรมโมสังโฆเป็นมาเห็นจิตของเราน่ะเป็นพุทโธเห็นจิตของเราน่ะเป็นธรมโมคโคเห็นจิต <S S 1> ของเรานะ่เนเานะเ ป, นมม เ, นะเป็นสังคโฆ น, ะนันไม่เหมือที่พุโทโธธรมโมสังคโฆกัไปใจอย่างเด่ ต่อไปก็จะเกิดปัญญาองเท่าเอาทันสมมุตดดูดจักสมมุติขึ้นมาสมมุติทั้งหลายสมมุติคืออะไรสมมุติสมสมุติเป็นของจริงของในจริงของสมมุติ ไม่ใช่ของกินท่านสมมุติขึ้นมาตั้งบัญญัติชื่อขึ้นมาสมมุติขึ้นมาเฉยในโลกนี่ไม่มีของกินสักอยางหรอกนีแต่ของสมมุติขึ้นมาของคุงแต่งขึ้นมาแล้วก็มาสมมุติ อะไรมาพูงแต่งกันสังขารมาพูงแต่งกันธาตุดินน้ำลมไวยมาพูงแต่งกันขึ้นมาทิ้งมากตั้งสมมติให้ดินน้ำลมไวยอากาศวิญญาณมาพูงแต่งกันขึ้นในโลกนะท่านจุงตั้งมาเชื่อส ม, มุติว่าโลกนะ โลกก็แบ่ออเป็นสโอกาสโลสัตว์โลกโอกาโลกก็คือดินน้าลมไฟอากาศโอกาสโลกแบ่งออเป็นสโอกาสโลสัตว์โลกนี่ป็นสมมต สมมติเฉยๆสมมติว่าโอกาสโลกสมมติว่าสัตว์โลก ส, สัตว์ตโลกก็คือจิตญาณ oh. ใจลงมาอาศัยอยู่ในโอกาสโลกนี่นี่ น, น้ำลมไฟอากาศจิตญาณมาปูแต่ ง, งกันขึ้นเองมาตั้งสมมติขึ้นมา เรียบัญยัติชื่อขึ้นมาใช้ให้คนเข้าใจให้คนรู้จักเฉยว่ากายวายใจใจว่าโอากโลว่าสัตว์โลกว่ามีา น, น, น้ำลมไฟอากาศวิญญาณเสมมุติไปหมดอย่างนี้ก สมุติไปมอดไม่มีอะไรเลยสมุก้อนอยากชื่อให้เข้าใจสมุตเนะี่ยเราก็มาหลง ก, ก้อนสมุตินะี่ก้อนดินน้ำลงไปอากาศวิญญาณก็มาสมุติแยกออกมาอนะีกตั้งชื่อว่าสังขาร สังขารแปลว่าสิ่งผสมทงแกงย่างขึ้นข็มาสมตาาา ม, สมติเอาว่าวขันห้า่เดยนี่สมมติขันห้าขันห้าก็คือลูกหนึ่ง น, น, น้ำสีว่ามันลูกก็คือกายของเราเ น, นา่นสีก็คือกินิยาอาการของใจเรียกว่านามสี ลูกก็คือกายใจก็คือน้ำลูกกับน้ำกายกับใจเรียกว่าขันห้างนะสมมติทั้งหลายก็สมมติออกจากนี้ขันห้าเนี่ยเขาเรียกว่าเรานะลูกอย่างเราไหล่างงนะี้ ท่านสมมติเรียกว่าเราเราก็สมมติคฉยๆนะขันห้านี่ยลูกกบนัมมาสมมติเรียกว่าขันห้านี่เรียกว่ากายใจมาสมมติว่าเรานั่นอย่างนี้นะก็เรียกว่าเราเอาใจเราไงล่ะทีนสมมติว่าเรานะ ท่าษายที่แสงสมมุติว่ากูสมมุติว่ากูสมมุว่ามึนนี่ไงสมมุติว่าเราสมมุติว่าเขาก้อนอินก้อนคนอินก็สมมุติว่าเขาก้อนคนไกลทั้งเราสมมุติว่าเราพระพรทองค์ย่อสมมุติทั้งหลาย ย่นยอ่อลงมาเหลืออยู่ขันห่านเนี่ยสมมุติยอ่อลงมาหมดแล้วนะสมมุติภายนอกนอกตัวเราออกไปสมมุติภายในคือตัวของเราตัวของเราคือขันห่านายอ่อลงมาเหลือยู่ขันหา่ายอ่อลงมาเหลือยู่นามสียอ่อลงมาเหลืออยู่ใจสมมุติทั้งหลายก็คือเราน่นคือใจเนี่ย คือขันหันคือเรากายกับใจเนี de ่ยค ouais well ือเราแยกออกเรียกว่ากายเพระว่ากายเราแยกออกใจเพราะว่าใจเราเองเราจึงนี่สมมุติเข้าใหญ่สมมติไมมุติทั้งหลายย่นย่อลงมาเหลืออยู่ขันหันยับลงมาอยู่นสี่สมมุติเจอในโลกนี้ มเ็นว้าเล่าคนเดียวล่าคนเดียวหย่อลงมาเนี่ว่าเล่าคนเดียวตาเป็นตาของเล่าหัวเป็นหของเล่ามดมัน่วเล่าคนเดียวน่เนี่ยสมมติก็สมมติออกจากนี่นะสมมติออกจากเรานี่ สมมุติทั้งหลายสมมุติออกจากใจเลยสมมุติออกจากเราเลยนะสมมติออกจากขนานันหานให้พาันเข้าใจสมมติมาเบสเีสมมติเฉลยเฉลยอสมมติสมมติใจก็เรียกว่าสมมติไทยนะ สมมติไทยคือใจปลอมใจปฏิโกใจเที่ยงไม่ใช่ีจแค่ใจเดืงองขติไทยเข้าใจสมตมติไหมละทนั้นีละสมตสมตทิทั้งหลายสมมติทั้งหลายก็ย่อลงมาเราคนเดียวนี่พูดถูกสมมติก็คือเราน่ยแหละ อูบไปถือเอาสอมมติก็คือเราอูบไปหลงสงมมติก็คือเราไม่ไม่ได้อย่ที่สมมติออกจากเราคนเดียวนีแหละเข้าใจไมอะไรอ่านีโสมมติก็คือเรา ไปสมมติอันนั้นอันนี้ขึ้นม า, นมาก็คือเราเนย่ไปสมมติเขาตั้งสมมติขึ้นให้เข า, า ผ, ผู้ถูกสมมติก็คือเราเอยู่นะผู้ไปรับเอาสมมติก็คือเราเอยู่นะผู้ไปหลงสมมติก็คือเราเอย <c oughs> ู ผอไปถือเอาสมมติที่นี่พออยาพอใจแม่ละเลยสมมติทั้งหลายยึดย่อลงมาอยู่กายกับใจการกับใจคือเราผู้ไปถือเอากายกับใจคือเราผู้ไปถือสมมติก็คือเรา ผู้ไปหลงสมมุติก็คือเรานะ่ผู้จะออกจากสมมุติได้ก็คือเรานะึ่งใกล้ไหมไหนนะผู้ออกจากสมมุติได้ก็เป็นไ ม, ม่มุดเท่านั้น ม, มีมุดก็แปลว่าหลุดพ้นหนะลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากกายและใจหลุดพ้นจากขันหันนะ เพาว่าสมุดทั้งหลายมันย่นย่อมาเลยอยู่ั้ห้าลผู้หลงสมุดก็หลงขั้นห้าอยู้วผู้มาถืสมุดก็มาถือขันห้าอวสมุรทั้งหลายก็ตั้งออกจากขั้นห้าสมุดออกจากขั้นห้าขันหาก็คือเราเองจงว่าสมุดทั้งหลายก็สมุดออกจากเรา ผู้ไปถูกสมมติก็คือเราเนี่กเคือขั้นห่างผู้ไปหลงสมมติก็คือเราแบคือขั้นห่างพ อ, เ, อข เ, เข้าใจไหมทีนี้สมมติมันหลงหักหลงเน่หลงไปยึดไปถือเอาขั้นหาว่าเป็นเล่าอ่าเรียกว่าอุปท า, าน อุปทานไปยึบไปถือภาษาบาลีเรียกว่าอุปทานอุปทานเอาถือเอาว่าขันห้าเป็นเราเป็นจริงจังเป็นมาแล้วจนไปฝังแน่นอยู่เป็นนิสัยเป็นนั่นยึดมือนถือมือนว่าเป็นเราเป็นของของเราจริง จนแน่นนะฝังจมอยู่ในจิตในใจเพียงอยงเดียวว่าอุปธินี่ น, ะ น, นี่ตัวอุปธิไปจากอุปทานอุปทานถือเอายึดเอาถือเอาจนมั่นคงแน่นหนาะไปฝังอยู่ในจิตในใจก็เปลี่ยนชื่อว่าอุปธิอุปธิ มาจากอุปทานอุปทานอะไรอุปทานขันหานถือเอ า, าขันหันเป็นเราเป็นสัต์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาจนไปฝังแน่นอยู่ในจิตในใจก็เรียกว่าอุปธินี่นะไปถือเอาสมมุติ ขันห้าจริงๆมันไม่มีเป็นสัญญาในอดีตโลกคนในอดีตเขาตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาเรียกกันด้วยมีแต่ก่อนสมมุติก่อนธาติก่อนทำก่อนสมมุติมนันอยู่ไงขันห้าจริงๆไม่มีเราก็มาอุปถิอุปทานเอาขันหะ้า พระพุธองค์ยังสรุปลงมาว่าโดยย่ออุปทานขันหานี่แหละคือทุกรู้จากทุกไหมล่ะทีนี้ขันหานั้นไปอยู่เฉยๆนี่แนะขันหานถ้าคนไม่ไปอุปทานเราไม่ทุกข์หรอกไม่เป็นหลงว่าขันหานเป็นกูไม่ไปหลงว่าขันหานเป็นเรา มันเป็นอุปทานขันหันเหมือนจรงเกิดทุกข์ขึ้นมาท่านยิงเยาวัยทุกข์ทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาเหลืออยู่ใกล้ใจหนึ่งุกข์ทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาเหลืออยู่ขันหันย่อลงมาเหลืออยู่นามสีย่อลงมาเหลืออยู่ยออยยใจอันเดียวคือกูคือเราใจนี่เป็นคนทุกข์ ถาดับทุกข์ก็ดับใจของดับขันห้าดับตัวเราเนี่ยนะธรรมชาก็หลงแค่นี้หลงว่าเราเป็นขันห้าขันห้าเป็นเราเรามีอยู่ในขันห้าเองอย่างละสีละสีขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่ในตนตนมีอยู่ในขันห้าอย่างละสีละสี สี่ห้าก็ยี่สิบขันห้าขันความเห็นสี่อย่างความหลงสี่อย่างสี่ห้าก็ยี่สิบยี่สิบอย่า ง, างน่ะเจ็ดทิศทีวิปลาสความเห็นขาดเลื่อนจากความเป็นจริงนี่ไม่ได้อยู่ที่ไหน ความหลงตอนนีนะ้หลงว่าเราเป็นหลงว่าเรามีเป็นอะไรเป็นขันห้าขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าเป็ขันห้าเรามีอยู่ในเราเรามีอยู่ในขันห้านี่ไนงะทิฏฐิยี่สิบอย่างสี่ห้าก็ยี่สิบ ยีสิบอย่างเป็นยิธิวิปลิตวิปลาชคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงท่านสมมติเฉยๆขั้นห้าเนเราก็สมมติขึ้นมาใช้กันเฉยๆเราจริงๆไม่มีหรอกสรรพนามคำเรียกแทนตัวเรานี่ ตั้งบัญญัติเป็นวาทะเป็นวากีเป็นคำพูดออกมาเฉยๆมาใช้ร่วมกันในโลกนี้ด้วยความเห็นถูกต้องกันท่านยังบจริงสมมติถ้าไม่มีก้อนอันนี้จริงๆจะไปเรียกอะไรนะที่ว่าขันหา้า นี่มันมีมันมีของจึงมาตั้งสมมุติทึ้นได้ถ้ามันว่างเหมือนกับอากาศแต่ความว่างอันนี้ก็ยังมาสมมุติว่าอากาศอยู่ก็ยังสมมุติว่าว่างอยู่บางว่างอรอบตัวเราเรียกว่าอากาศ ถ้ามันพัดไปพัดมาก็สมมุติใหม่ว่าลมว่างนันลมพัดไปพัดมามันเคลื่อนที่อากาศเคลื่อนที่เขาเรียกว่าลมอย่างเราหายใจนี่คืออากาศเคลื่อนที่จริงเรียกว่าลมหายใจสมมุติว่าลมหายใจ ถ้าไม่มีลมก็ไม่มีอะไรเลยสมมติสมมุติมัก็ต้องมีมีจริงๆมีจริงจริคนมาหลงตรงนีนะ้ถ้าไม่มีก้อนสัโคนตายจนะยามาสมมุติว่าเรียกว่าคนก็ไม่ได้มาสมมุติว่าสัตว์ก็ไม่ได้ไม่มาสมมุติว่าเราก็ไม่ได้ สมมุติว่าเขาก็ไม่ไเพราะมันมีก้อนอันนี้ขึ้นมาเนี่ยจึงมาสูกสมมุติตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาเราก็เลยมาถือเอาจริงจริงันอยู่นี่ใจมันก็มีจริงจริงทนยังเรียกสมุทรไทยใจกองใจจริงก็สมมุติไปยืนยันอยู่ะ สมมุติว่ามาโนไปนะสมมุติว่าคิดสมมุติว่าวิญญาณเป็นใจแต่นี่นะอยากอธิบายใหฟังคนก็ามาตั้งบัญญัติบัญญัติแต่ว่าตั้งชื่อขึ้นมาตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาชายร่วมกันในโลกนี้นเฉย ให้คนเรียบถูกกันใช้ถูกกันแขนก็มีจริงจริจริงขาก็มีจริงๆริงสมมุติว่าขาตาก็มีจริงจริงหูก็มีจริงจริงจมูกก็มีจริงๆลิ้นก็มีจริงจริงน้ำก็มีจริงจริถ้าไม่มี เขาจะสมมติว่าอะไรมีรูปล่างลักษณะหอหุ่มอยู่ในกายของเราให้เรียกชื่อว่าหนังนะนตั้งสมมุติบัรยัติชื่อขึ้นว่าหนังอันนี้ชื่อของมันสมมุติว่าหนัง ถ้าเป็นขนอยู่บนหัวเนี่ยอยู่บนหัวเขาไม่เรียกว่าขนนะ<ว>เขาก็สมว่าแบบผ ม, ม<ว>จะมาเรียกอยู่แขนว่าผมได้ไหมนะขนอยู่แขนนะียนฮะเขาก็หัวลเลาะนะโอ้ไม่รู้จะผมไม่รู้จะขนเขาจะว่า เกิดอยู่ที่แขนที่ขาเขาเรียกว่าขนเกิดอยู่ที่ตาเขาเรียกว่าขนตาย่างลงไปนะเลยกิดอยู่ในจมูกเขาเรียกว่าขนจมูกอืนี่บัญญัติชื่อตั้งชื่อขึ้นมาใช้ร่วมกันให้รู้จักสมมตทั้งหลายก็สมมติออกจากกล้นี่แนละ้ว สมมติออกจากลูกกับนาำนี่แหละตาก็าสมมติออกจากลูกนี่แหละหูก็กสมมุติออกจากลูกนี่แหละจา ก, กลนี่จากมูอ ก, ก็สมมุติออกนี่แขนก็สมมุติออกจากนี่ผมขนเล็กก็สมมุติออกจากนี่นะเขายายสมมุติมามนะนี่ยงโอ้ยมนุษย์ตสัตว์กับ เถือออกถ้าเอาแน่เ้าเหงาไปแล้นี่แหละคือเอากินงจริงจังๆเทียงกันเอาอันนี้เป็นชื่อตั้งชื่อดยเฉยๆตามันก็มีคือเก่านแนะเมื่อเอาชื่อมันออกเมื่อเอาสมมุติออกพอดสมมุติออกสมมุติไปว่าตั้งบัญญัติชื่อขึ้นมา ตาหก็มีอยู่นี่ เ, เขาก็สมมุติตั้งชื่อบัญญัติชื่อขึ้นมาเอาชื่อมันออกตาก็มีเก่ า, นะาเนี่ยแต่คำวมาตานี่คือชื่อมันคือตั้งบัญญัติขึ้นมาชื่อว่าตาชื่อว่าสมมุตินะพอเข้าใจสมมุติไหมนอ้องแบ น, นี้ หูก็ถ้าไม่มีติดอยู่ตรงนี้เขาจะมาเรียกอะไรว่าหูบัญญัติสมมุติชื่อเรียกว่าหูถ้าถอดชื่อมันออกหูก็มีอยู่คือเก่านะมันก็มีอยู่เพื่อเก่าแต่เขาไม่เรียกว่าหูเรียกว่าอะไรเอาชื่อมันออกหนีเอาสมมุติมันออกถอดสมมุติมันออกหนี สมมติแปลว่าบัญญัติแปลว่าตั้งชื่อขึ้นมาเรียชายให้ร่วมกันเฉยๆถอชื่อมันออกก็เหลืออยู่เพื่อกานั่นน ะ, ะก็เหลืออยู่ก้อนสกุลกายก้อนสกุลกายก็เรียกว่าก้อนธาตุก้อนธรรมก้อนสมมุติก้อนบัญญัติ มาถอดออกหมดก็ไม่มีก็มีแต่ริมุดนั่นแหละทีนี่นี่นี่มุดรู้จักริมุดไหมถอดสมมุติออกหมดเขาก็เรียกว่าริมุดถอดสมมุติออกหมดเขาก็ยังมเรียกว่าก้อนธาตุก้อนธรรมเฉยธาตุสีดินน้ำลงไปอากาศ วิญญาณมาปรุงแต่งกันขึ้นเรียกว่าก้อนธาตุก้อนธาตุก้อนธรรมคือก้อนธรรมชาติก้อนธาตุก็คือก้อนดินน้ำลมไฟก้อนธรรมก็คือก้อนธรรมชาติพอสมมุติออกมา ก็เหลือตั้งแต่ทมก้อนธาตุก้อนธรรมไม่รู้จะเรียกอะไรอีกแนละ้วก็เรียกมาเรียกก้อนอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมธรรมที่ไม่มีชื่อธรรมที่ไม่มีเจ้าของก็ยังมาอนัตตาก็ยังมาสมมติอยูนะ่ เรียกว่ามีมุตหลุดพ้นจากสมมุติความว่าวิมุตต์ิมุตต์ก็ยังไปสมมุติอีกอยู่ถ้าไ ม, ม่มีก็ไม่มีรู้ว่าสมมุติไปยังไงคนจากสมมุติคนจากบัญญัติก็เรียกว่าประละมัน น th e ี่เนี่ยจิงสมมุดนี่แะท่านมาจริงสมมุติตามันก็มีจริงหูมันก็มีจริงจมูกหนินกายใจมันก็มีจริงท่านก็สมมุติว่าอันนี้ก็เรียกว่าจริงสมมุดทำมันก็มีมีจิงก้อนธาตุก้อนธรรมตาก็คือทำก้อนธาตุก้อนธรรมหูก้อนธาตุก้อนธรรม เรามาตั้งชื่อให้ก้อนธาตุก้อนธรรมนนเรียกาธรรมะบัญญัติบัญญัติชื่อขึ้นมาก็เรียกว่าบัญญัติธรรมก็เรียกว่าจริงบัญญัตินี่จริงบัญญัติจริงสมุติจริงบัญญัติเมื่อดับสมมุติดับบัญญัติออกหมดดับสมมุติออกหมด ก็กลายเป็นปรมัภิธรรมท่านจึงเรียกว่าจริงสมมติตั้งสมมติไปถ้าเห็นผู้หญิงแก่อย่างนี้ก็สมมติว่าแม่ถ้าเห็นเด็กเป็นเด็กอยู่ก็เรียกว่าเด็ก เด็กหญิงเด็กชายไปแหละสมมุติไปถ้าโตขึ้นไปก็เด็กนั่นไม่รุ่นก็เรียกไปอีกอย่า ง, างสมมุติไปร้อยแปดพันอย่ันก็สมมุติออกจากกายกับใจสมมุติออกจากขันห้าสมมุติออกจากเราเนี่ย ถ้าไปเรียกคนแกว่วัเด็กหญิงเด็กหญิงหนึ่งจะ้อใจไนะห่ะนั่งอย oh. ู่นี่เด็กหญิงทั้งหลายโอ้ oh. ว่าเรียกเด็กหญิงยั ง, ยงไงแก่ถึงขนาดนี้ไม่ใช่าพาป็นบ้าเรือจะบ้าก็จะเป็น oh. ว่ามันต้องต่าเป็นบ้าถึงเาเด็กหญิง นี่เลาสมมุติอ่ะมันเป็นอย่างนี้สมมุติเป็นตามของจริงอย่าถ้าแก่แล้วก็เรียกว่ายายก็สมมุติคนคนเดียวนี่แหละสมมุติออกจากนี่หมดถ้าน้องมาเห็นก็เรียกว่าพี่ถ้าลูกไม่เห็นก็เรียกว่าพ่อว่าแม่ถ้าหลานมาเห็นก็เรียกว่า สมมุติว่าได้ว่ายายไปอีกแล้วนี่สมมติออกจากเราคนเดียวสมมุติออกจากขั้นห้าขั้นห้าก็คือเราอย่นะไม่ได้ไปสมมุติออกจากที่อื่นหลานมาเห็นก็ยาย ย, าย้ายถ้าเขามาเรียกอินอัน่นอินออี่ผมปิดใจอย่า <G ül üş> อหลา น, นาลี้โอ้าน่มันเรียกมโกว่าอินั่นดีนี่มันเป็นบ้าหรือมันเป็นอะไรไปอะไเรียกผิดจากสมมุติไปนี่เนียว่าจริงสมมติดูมาเห็นก็เรียกว่าเม่ร้านมาเห็นก็เรียกว่ายายก็อนเดียวนี่แหละ สมมุติออกจากนี่หมดสมมุติทั้งหลายโดยย่อลงมาอยู่กายกับใจกายกับใจนี่เป็นคือตัวเราตัวเราเนี่ยคือตัวสมมุติสมมุติออกจากเราหมดผููไปถือสมมุติก็คือเราผููไปหลงสมมุติก็คือเราพูไปอุปทานเอาสมมุติก็คือเรา สมมุติออกจะเราหลงก็คือเราลูกก็คือเราที่พูดวันนี้ก็เพื่ออยากจะให้รู้จักสมมุติจริงสมมุติจริงบัญญัติจริงปรามารัดจริงอย่างนี้เมื่อถึงขั้นปรามารัดธรรมก็ลบสมมุติออกหมดแล้ว ลบบรรยัญญติออกหมดแล้วจึงเรียกว่าปรมัทิอื์ให้า่านเข้าใจจริงสมมติจิงบรรยัญญติจริงปรมัติ์ถึงขั้นปรมัติธรรมว่างหมดเนี่ยไม่มีกูไม่มีมึงไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนี่แต่ ลูกทำนามทำมีแต่ธรรมาชาติธรรมาชาติก็ยังสมมุติอยู่อีกตามไปดับสมมุติได้ก็เห็นมีมมติเดี๋ยวนี้เรามาแบกโลกแบกอารมณ์แบกขันหันแบกสมมุติอยู่ในนี้น อุปทานคันหานใะดเรามาละขันหาวางขันหาดับอุปธิอุปทานได้นะั้นท่านจึงว่ากายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวนะกกายวิเวกนะเอากายนีออกมาจากเครื่องกรปทึกทิกโคมมาอยู่ที่สังัดกายสงัด เรียกว่ากายมีเมฆกายสงบกายสงัดจิดตจะมีเมฆเมื่อกายสงบกายสงัดงัดลงก่อนจิตก็จึงจะสงบเรียกว่าจิตตาวิเวกจิตจเป็ดสมาธิจิตตัณมั่นจิตเป็นสมาธิาเราเรียกว่าจิตปิมิช ออกจากนี้ก็เดินบัญญาหยิตสมบุติแล้วก็เดินบัญญาไปก็เรียกไปหยิบอันนอุปัธิวิเวกอุปัธิวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกอุปธิวิเวกก็กกกกกกกคือสังฆสัสงฆารอุปธัธิวางอุปธิอุปทาน ออกไห้ยิ่งเรียก ว, ว่าอุปธินิเวอุปธิมาจากไหนน่ะมาจากอุปทานอุปทานอะไรอุปทานเอาขันห่านหลงว่าขันห่านเป็นตัวเป็นต้เนตเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่จึงไปอุปทานเอามาภาวนาอย่างนี้เพื่อว่ามาให้รู้ว่าขันห่าน ว่าจากสัตว์ทุกคลตัวตอนเราเขาเราจรึงจับไม่ไปอุปทนันเขาจึงเรียกว่าอุบปบที่สังกัดจักขันห้าสงบจักขันห้าละขันห้าวางขันห้าดับขันห้าได้เรียกว่าอุปบที่มีเด็กต้องมาเข้าใจเรื่องอุปบุญทาน อุปทานขันหา่านเป็นทุกข์ดักอุปทานได้อุปธิอ็ดมพบชาติก็ไม่มี เ, เท่านั้นอุปธิวิเวกไม่ได้อยู่ใไกลรอ สงบจากขันห้าขันห้ามันมันสงบได้ไหขันห้ากายนี่นยเมื่อจิจลงมาอาศัยอยู่ในกายจิต ก, ก็มาสร้างประตูหน้าต่างออกรับโลกออกรับอารมณ์เรียกว่าทะวานสร้างเทวาน สร้างประตูจิตยังปิดอยู่ในโลกในอารมณ์อยู่มันจึงมาเกิดอีกมามาเกิดอีกจิตก็อยากเสพโลกเสพอารมณ์อยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยู่มันจึงมาสร้างตาสร้างหูจากโดิน้นกายขึ้นมาเพื่อรับเอาโลกรับเอาอารมณ์นี่นี่เราเรียกว่า สมมุติหมดลวตาหูย่างงงิใจใจก็สมมุติขึ้นมาว่ากันมันรับเอาอารมณ์ลูกรับอารมณ์เข้าไปใจนอนอยู่ข้างในมันก็ไปบอกใจลูกสวยไม่สวยเสียงดีไม่ดีเสียงเขานินทาว่ากาเสียงเขายกย่องฉันนะเส้นมันก็ไปบอกใจนั่นแหละ ใจเกิดความโลภ ก, ก็โกรธขึ้นมานี่แหละเรียกว่าขันหัาลูกกับน้ำเมือม่อเมือเ่อเมื่อกายส่งกิเลสอายตนะภายในรับเอาอายตนะภายนอกเอาไป ก็เนียยว่าโลกผสมธรรมอารมณ์ผสมจิตจิตก็เกิดเป็นพบเป็นชาติขึ้นมาขันห้านนี่แหละขันห่าเราไม่รู้จกขันห้านลูกเนี่ยก็คือนิดน้้ำลงไปนีนะ่คือลูกมันคือขันห้านตาหูจมูกิมกายใจนี่คือ ลูกภายในเนี่ยเมื่อมันกระทบกับโลกภายนอกลูกภายนอกก็เรียกว่าวิญญาณเกิดขึ้นก็เรียกว่าภัฒนาเท่านั้นนี่แหละขันห้าเกิดมันไปบอกใจไปกระทบใจใจก็ออกมารับรู้อารมณ์นี่ก็เรียกว่า ลูกนามอิงอาศัยกันเกิดเยาว์าขันห้าเกิดนี่ะขันห้ามันเกิดแล้วก็ดับลงไปเกิดพบหนึ่งแล้วเนี่ยหูได้ยินเสียงก็ไปบอกใจใจก็รู้ว่าเสียงดีไม่ดีแต่เสียงดีเสียงถูกเขา ย, ย, ยกย่อมฉนก็เห็นก็อิจฉาลมอารมณ์ดีขึ้น เขารียกว่ากำนั้นยินดีพอใจอนี่แหละลาขั้นใส่ก่เกิดกิเลส ก, ก็เกิดขึ้นมาความความความโลภเกิดขึ้นม า, านมันไปกระทบของมาดีไปกระทบะก็เรียกว่าไม่ยินดีพอใจขัดเคืองอ น, นิทะลุ อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ใจอะไรเกิดโกรธขึ้นมานี่แหละอุสัยอุสัยเพราะอะไรเพราะเราหลงขันหา่าไม่รู้ว่าขันไม่รู้ว่าธาตไม่รู้ว่าขันเขาอิงอาศัยกา้เกิดเขาทํางานอยู่อย่างนี้เราไปอุปทานเอาไปถือเอายึดเอา หลวงว่าขันหา้าเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลท่านจึงให้แจกขันหา้าออกในรูป ก, กายนี่ก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี่เพียงแต่เป็นธรรมดาท่านเรียกว่าลูกธรรมใจของเรานามสีสงเคราะเรียกว่าใ จ, จก็แจกใจออกเป็นนามสี ทัานาสัญญาทังฐานวิญญาณที่นามสีก็ไม่ใช่ใจเป็นกิริยาอาการของจิตของใจเฉยๆคนก็หลงว่าเป็นจิตเป็นใจหลงว่าเป็นเราก็เหลือไปถือเอาอยา่ไม่มีที่สิ่นสุดเมื่อขันหากเกิดจึงไปประทานขันหาน ว่าลอยย่อพอทานขั้นห่านะนี่คือทุกข์นะถ้าไปยึดไปเที่ อ, อาเวลาขั้นห่ามันเกิดมันดับเราไรู้ไม่จริงก็เลยเกิดความตั้นหาเนะี่เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมานี่คือตั้หาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยทุกขม์มันเกิดจากสมุทยนะัย เหตเกิดแหตุทุกข์นี่ยมันเกิดอย่างนี้นี่โลดก็คือละตั้งหาดับตั้งห้าได้ดับทุกข์ได้ดับสมุทัยละสมุทัยอดด้วยสติปัญญาเอามาจากไหนเอามาจากมรรคมรรคเป็ศีลสมาธิปัญญาปัญญามานรู้เท่ากันห่างเอามาจากไหน นี่แหละท่านเรียกว่าอุปธิมิเวสังกัดจากขันห้าคือไม่อุปทานขันห้าขันห้าเกิดดับเป็นเองอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ดับธาตุดับขันใดขันห้าเกิดดับเราก็รู้ว่าไม่มีสัตว์อุปคนตัวตนเราเขาไม่มีเราอยู่ในขันห้าเราก็ ไม่ไปอุปทานเอาคันหาก็ทําที่สุดแห่งทุกได้เท่านั้น ừ. ที่เราไปอุปทานเาอาผ่อหลงลนะ่ะหลงว่ามีสัตว์มีบุคคลอยูน่นั่สัตว์บุคลคลพ่อตั้งสมมุติขึ้นมาขันหาก็สมมุติขึ้นมาจึงมาพูดเรื่องสมมุติให้ฟังวนะเนี่ยคงพอเข้าใจบ้างนิดหน่อยนะเอาละหมดเวลาเอวัง แม่ห <M> okay. ัวนจักรก็ไม่รู้เกล่าว่าออกมาจากไหนฮะฮสลัดเป็นนิ้ว้นนักเรียนว่ารู้อธิบายบ่อยๆเขาเข้าใจดอกน้องแม่ออมสินหุวจักเล่าไปหนึ่งคันหาแม่เล่าบ่อย เขาสมุนไวนั่าแต้มาเทอ่อครับเถเที่ยวเล่าหนิจึงไดสเฉยหันหาเนี่เขาสมุนไวนั่ลย่อลงไปสมุนไเนั่วคนเดียวนี่งขันเล่าบ่มียืนในขันหาขันหาบ่มียังในเล่าแต่เห็นดูหูในยิ้มเสียงก่ ไม่ใช่เราได้ยินนั่นและแมนบอกไม่ออกแล้วแล้สิเกิดข้องโลคของขวดบอกหวยสิบอกเห็นนิพพานเห็นบ่กไงเดินเดิ่ตรงตรกับานแล่วสมมุติมันเดินด้วซี้ดบกไก่เราสมมติเราเห็นว่ากายส้ดบว่ามันย่ายเดินบ ย้ายก็สมมุติืผมเขก็สมมุติขนสมมุดมืดอยนี่ยมุจจันสมมุดไปแบบนี่แหละเรามาหลงสมมุตินี่แหละมาถือเอาสมมุติแม่เขาก็เรียกสมมุดหลูกมาเห็นก็เรียกว่าแม่ท้่หลานมาเห็นก็เรียกว่าย้ายก็สมมุติไปอีกอย่าง นี่แหละเราจรงวันนี้มิด้พูดว่าเรียงสมุดอย่าฟังเอาใจว่ายายโสยายโสมียุติเอนยว่าวเยอะิเหนม้ยถ่ายว่าวเยอะนิเหนมั้ยผิดผิดผิลผิดผิดผิดผิิดผิดผมดผิดดิดผิดผิดผิดผิดผิดผิดิดิ ยุดยาสมุดจะเป็นบิมุดท่นเป็นพันธาน่ว่ามีผู้มาเกิดว่ามีแต่แยกโสว่มาเกิดอีกเท่านั้นนะฮะโอ้คันถือว่าแยกโสมีแยกโสก็มาเกิดอีกเท่านั้ย่งถือสมุติคือเก่าแบแมนโมไม่ออกฮะฮะผู้เจ้ายังถือสมุติคือเก่าแบบกัน่า คำลั่งสีเก่งนี่ยนั่งเรียนว่าดูอธิบายดูกูกูกูยุ่งใช่ไหมเยมึงมึงมึงยุ่งใเขาสมบว่ามึงใส่เสว่ากูเสื้อเมื่อเขียดแหงอย่างนี้หายมันเเขียยแหงหลายเะั้นใครเขียดูกันอันนี้แหละความโกรธความโกรธมันก็เกิดขึ้นจากความหลงนี่เขาใจว่าง ไปเดินไปเมื่อสุดอยู่เล่าเพื่อเดียวแั้วเดี๋ยวนี้ก็เขียดในพจน์ลง่าเล่ามีเพื่อนนะคันรู้ว่าเล่าว่มีเล่ามีโดยสมมุติเนี่ยเขาสมมติว่าเล่าอยู่เสือคันหางว่าเราเล่าแบว่าเล่าอยู่เสือเป็นสมมุติเสือสมมติว่าผัวว่าเมียสมมติสามีพรอนายญาติเรียดกันไป สมมติราพอว่าเมีกันเลี่ยกกันไปสมมติกันไปออกไปเอาไหมาก็รู้แจ้งแทนตลอดในก้อนสกุลกายนีย่ยแทนสิแทนตลอดเดยน้อแเม่ยอมสิมมนนี่เล่าูีเล่ากัไปเคือดอีกแล้วพบหนาก็มี่แล้วฮะ ืออโอ้นั่นแหะเขาตั <h <h <h> <h ้งยดเห็กับเขาตั้งสมุดเห็เจ้าซื้อได้อกศาสารจายเพาว่าตั้งเหซื้อได้ ลาอาสอออกสินมาเล่นเขา้าวะนี่สมุดทมแมนละวามี่เอ้าเอาแอรืไปนี่ก็บว่าเรียนอันนั้นอันนี้พ่อเข้าใจเพิ่มขึ้นักน้อยใค้ตัวบ่ไมอยู่นำ้ำเอะพลาเด้อ